ปัจจุบันใช่ไห ม, มอันดีอีกสิบแปดไหมที <15. S 1> ่เป็นไปกัะนนะ <15. S 1> พาอีกสิบแปดใช่ไหมนี่คิดอย่างเงี้ยได้เลยใช่ไมนี่เขาเรียกอะตัหาอะไรม <100. S 1> ีตัณหาร้อยแปด้ถูกตัณหาร้อยแปดมีถูกติดแน่นหมดแล้วติดอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกอารยานนะีอย่าไปตั้งชื่อรูกนะคำว่าอารยานี่เฮ อาและยาตัวนี้แปลว่าอออ่างสระอาอลอริงยอยักสระอาตัวนี้อย่าไปตั้งพอตั้งมาแล้วมันแปลว่าตัวตัวอะไรตัวอะไรเอาวรใช่ไหมตัวผูกพันตัวอะไรเอาวอออรอย่าไปตั้งส่วนบบหลานจะตั้งชื่ออะยาเราอย่าไปตั้งนะบอกไอ้ตัวอะไรเลยว่างั้นนะมันชื่อของปัญหา เป็นชื่อเของตัณหาล้อยแก่ถ้าจะตั้งก็ต้องไตั้งเนี่ยตัชื่อกาวมาตนาเปภาวนาตนากก ว, วิปวานาตนะใช่ไหมตั้งชื่ออยังงั้ถึงอยู่ก็เดียวกันในอรยิยเพราะฉะนั้น้ท่านจึงเรียกว่าอาริยาสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าอาริยร า, ามาเนี่ยรามาเปนชื่อของสัตว์เพราะอะไรเพาราะสัตว์านั้นยินดีแล้วยินดีในอะไรยินดีในอะไร ยินดีแล้อะไรสัตว์นั้นชื่อว่าอริยามาก็ยินดีแล้วคืออะไรเหล่านะั้นยินดีแล้วในอะไรก็คืออริยลตาก็ได้นะยินดีในอะไรก็ได้เบิกบานในอะไรมาจากควาว่าอริยะสมุทิตาสมุ ท, ตมทิตาคือมันไปแสดงอะไรไปแสดงมุทิตาด้วยไปยินดีด้วยมาเคยไปยินดีไหม เขแต่งงานก็ไปยินดีด้วยไปแสดงความยินดีที่ก็แต่งงานตอนนี้ยเปลี่ยนมายอนหันพิดไปใหม่นะไป่ยินก็แต่งงานก็กลับไปบอกว่าไปแสดงความเสียใจด้วยทำได้ไหมทำได้ไหมไปแสดงความเสียใจด้วยที่คุณเนี้ยมีอยู่คันห้าคุณก็ไปเพื่อมีคันห้าพิสิท เดียวคุณก็จะมีตามมาอีกห้าอีกห้าอีกห้ า, หาไปแสดงความเสียใจด้วยที่คุณจะต้องประสบปัจชาติทุทกข์เจลาทุกมลนั่นนะแล้วคุณจะต้องโศกอีกเยอะแค่ขันเดียวคุณก็โศกมาอย่างยาวนานแล้วถ้าคุณไปเพิ่มอีกห้าขันคุณจะโศกยังไงวันก่อนน้องสาวเมื่อปีที่แล้วต่อมา่องาจะแต่งงานขันมาพูดเสียเลยก็บอกเม่อนี้มลไปแล้วดีแล้วแล้วบอกว่า บอกโอ้องโหเงนี่โง่เนี่ยมาใช้คำหลักเนี่ยพูดกับน้องหนึ่งว่าเองนี่โง่ก็ฮ่าทันใจทกใจท้ายอยู่แล้วอยู่ไปเอามาอีกเป็นพากเขาบอกว่าเขาเรียกเรามาเรียกลงที่หลวงพี่ก็บสบายที่ร้นั้นเพระลงพี่บวชแล้วนี่ก็อยู่คนเดียวได้บอกเองอยู่คนเดียวที่ไหนไปดูบนหัวที่มีหัวก็เต็มไปหมดแล้วในร่างกายก็เชื้อโรคเต็มอีกเยอะไม่รู้กี่ร้อยคัน สัตว์อยู่ในตัวเองก็แปดสะกูลยังไม่ได้ไปเหงาเลยเรอกเองเหงาเราเองก็เองอยากจะดูสัตว์อย่างเดียวกันมาอยู่ด้วยแล้วเดยังก็โทรแล้วจริงๆนะไม่ถึงสัสี่ห้าเดือนแลโทรมาเป็นเหมือนเราที่ว่าไม่จะทิ้งยังไงลกจริงๆก็หน้าเบื่อยิงก็เอาสิฉันเบื่อไม่จริงก็แต่ไม่อยากจะบอกก็เบื่อจริงต้องเดินออกไหมได้ ใช่ไม่ใช่นี่ไม่เบื่อจริงเนี่ยเบื่อจริงต้องเดินออกมาได้เบื่อจริงเดินข้มใช่ไหมว่าบืบ่แล้วไม่อยากตอบปงั้นถ้าเบื่อจริงๆเนี่ยมันต้องกล้าใช่ไหมมันต้องกล้าไอ้ที่เราไม่กล้าเดินออกมาเนี่ยมันคือมันเบื่อไม่จริงถ้าถ้าถึงวาระถึงวาระที่เบื่อจริงๆนี่นะต่อเอาช้างมาฉุดก็ไม่ดีเดี๋ยวบริษัทตีเอาอย่าออกคือจะเป็นจักรพรรดิท่านอยู่ไหมล่ะ ถุยทิ้งเลยเหมือนก้อนก้อนเศษติดปลายลิ้นนี่ยังงี้ไงเบื่อนี่คือคนเบื่อสงสารว่าแต่เราพอไปตุ้ยทิ้งก็มาเสียดายอยู่แล้วนั่งเสีไดยย้ยเป็นพวกพรพรปริมาณของบารมีปริมาณของการบ่มเพาะมันไม่พอบันทีมันเบื่อเป็นปพักๆแค่นั้นห ล, ย, <S <S จลนยจริงเราเนี่ยใช่ไหมจริงไม่จริงแต่มันดูเหมือนเบื่อแล้วเกินเบื่อๆๆเบื่เบื่อแนี้ไปสักสพักนึงคิดถึงบ้านอีกดละมันอยู่ยังไง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 เป็นสัจจะบารมีที่จะบำเพ็ญเนคขมมะถ้าจะออกจากการณ์นั้นออกจริงๆอ ย, อยู่ทุกทรมานร้องไห้ประพฤติปฏิบัติก็ทนอยู่ถ้าเหมือนเหมือนเหมือนอะไรมาเนี่ยถามว่าในกรณีประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยทุกไหมทุกบางครั้งทุกทรมานนั้นตาไหลไม่ไหลทุกทรมานเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องมาทรมานสภาพร่างกายในไรสารพัดใช่ไหมทุกไหมทุกแต่เราก็คิดว่าเรามีสัจจะ บอกพึ่งพ่อมาจาันที่น้ําตาลงหน้ากล้าไม่ละถ้ากล้างี้ไปได้เยอะเลยต้งไม่ท้อมันต้องขนาดนั้นในชีวิตเนี่ยนะเบิกบานแล้วในไรในมุติตานี่แหละเพราเป็นผู้เบิกบานในไรทั้งหลายเหมือนอย่างว่าพระราชาสเสด็จประพาสพระราชอุทยานที่สมบูรณ์ด้วยต้นไม้ดอกไม้ผลไม้นานาชิตนานาพันเต็มไปด้วยของสวยงามซึ่งเขาจัดไว้ยอย่างดีย่อมยินดีไม่ละยินดีเบิกบานไหมก็เบิกบานก็บันเทิงพอพระไทย ในทรัพสมบัติในบุญกุศลของตนเองที่ทํามาไม่มต่างอะไรกันท่นบอกว่าคนที่เกิดมาพี่อมพร้อมด้วยวัตถุกรมะคุณทั้งหลายก็เหมือนประราชาสเสด็จ ป, ประปราชอุทยานนี่แหละยินดีมากเพราะก็ตกแต่งร่อตาร่อใจใช่ไหมเหมือนคนไปเที่ยวสวนไปเที่ยวสถานที่เฉยๆกำงานที่เขาจัดตกแต่งนันไว้อย่างดีแต่อีเบื้องหลังของการจัดมันเคยไปสังเกตไหมไอ้คนตัดสวนคนแต่งสวนคนทำไ ง, งาเขาไม่เคยยินดีเลยอะตรงนั้นน่ะเขาทุกมาก แต่ศาสตร์โลกทั้งหลายที่ไปเที่ยวกันโอ้โพอน้าหนาวขึ้นยังไะพอน้าร้อนเข้าไปพักได้นี่ยนะไปยินดีกันอยู่แค่นั้นแหละที่ส่วนจริงก็กลับมาเนี่ยทนทุกข์ทรมานในกรุงเทพอเไรก็ <c oughs> วิ่งไปวิ่งมาก็อยู่เนะยเข้าบ้านหลังนั้นออกหลังนี้อยู่นี่เลยมันไม่เด็กใช่ไหมถ้ามีปัญญาหน่อยเราจะรู้อย่างที่พระเจ้าบอกอ่ะบางคนโอ้อ า, ากาศที่ดีชื่นใจขึ้นไปบนอ า, ากาศอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหม สัตว์โลกก็ไม่มีอะไรหรอกโดนวัตถุ ก, กรรมพอเจอวัตถุ ก, กรรมที่ดูว่าถูกอกถูกใจเนยก็เพลิดเนยินดแม้มาอยู่ตรงเนี้คายทุกได้เลยก็จริงๆ จ, จ, จุดคายที่เราจะสามารถคือข้อมูลคือความเข้าใจคือสมาธิให้สังเกตดูนะคนที่มีสมาธิอย่างบริบูรณ์อย่างพุทธเจ้าแลนะ้วเนี่ยแปลว่าเขาสามารถกำจัดโลกภายในได้เลยคนระับที่พุทธเจ้าอุมาตะเด็นเป็นโรคเลือดเนนะี่ยตอนไหนก่อนโรอุเป็นโรคเลือด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 โยมโยมเล่าใังโยมปู่เล่าให้ฟังคือว่าเขาจะให้นอนกับใบตองเลยนะน้ำเหลืองไหลเต้ไปหมดเขาเรียกว่าฟีดัตนั่นแหละแล้วก็จะยากก่อไฟย่า ง, ายยางาก่อไฟเขาย่างไม่ยุ่งดีตัวนอนอยู่ข้างในเหมือนไอ้โรคเรื้อนก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ไม่ไม่โรคเรื้อนก็คือมันกินมันกัดกินกระดูกกินอะไรต่างๆมันมีตัวสัตว์อยู่ข้างในมันจะเจาะหนอนเหนือนชอนชัยเข้าไปข้างในเรื่อยนะมันจะมีไอ้เลือดไงไอ้เลือดกับน้ำเหลืองอยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหม อยู่ในเส้นเลือดเนี่ยฉะนั้นถ้ามันมีตัวหนอนตัวอะไรไปเจาะไปชอนไปใช้ไปเสร็จก็แปลว่ามันจะผลิตพวกเหลน้ำหนองออกมาน้ําเหลืองมามันเน่าคือเนื้อมันเน่ามันกลายเป็นหนองทีนี้มันเอาตัวพวกนี้ออกไม่ได้มันเยอะจัดมันรักษายากโรคพวกนี้ใส่ยางเนก็ไม่หายเนี่ยนะก็มีพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆนี่เขาก็ไปยากยามันแห้งก็หายคันดิทีนี้ไอ้ตัวขอบแผลเนี่ยมันก็ยังมีจุดคันเก่าแกะสะเก็ดแกะแกะ ไอตัวนั้นมันก็ใช้มันนี่จึงคันใหญ่ใช่ไหมไอตัวเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในตัวนอนต่างๆอยู่ในมันก็ใช้เข้าไปไอ้น้ำนองก็ไหลออกมาก็บีบมีความสุขตรงนั้นแหละนั่นแหละที่เราได้สเสวยกรารมาคุณทั้งหลายก็เหมือนที่เราได้รับความสุขจากการที่บีบแผลได้แกะสะเก็ดแผลแล้วมันมีความสุขมันคันไงแล้วมันหายคันแต่ในส่วนจริงก็คือมันระบบเบอมือสัตว์โลกก็ไม่เข้าใจ ลองคิดดูที่ว่าผู้พระเจ้าถึงบอกว่าตอนที่เป็นพระราชามากษัตริย์มีนางสนมสี่0มื่นนางสนมสี่หมื่นคือเตาไฟของรัฐาแล้วก็ยังบอกว่าเท้าส ก, กาศมีสามโกดขึ้นนั่นแหละเตาเตาไฟของเท่าส ก, กา่าเพราะโลกกำเริบหนัก นั้นคนที่จะต้องอาศัายกลุ่มบุคคลบำเรอมากๆวัตถุบำเรอมากๆสิ่งอำนวยไปความสุขวกบำเรอความสุขทั้งเนื้อหนังมากๆใช่ไหม ม, มันจะต้องดูของงามๆจะต้องฟังเสียงดีๆมันจะต้องดมกลิ่นหอมๆจะต้องกินอะไรอร่อยๆจะต้องสัมผัสอะไรนิ่มๆแล้วก็หมกมุ่นติดนั่นอยู่ความสุขสแสวงหาสิ่งเหล่านี้ยก็คือคนสแสวงหาเตาไฟเพื่อมาย่าง เพราะมันไม่มันไม่พอต่อความความสุขตัวเองมันทุกข์มากทุกข์มากก็ต้องหาเตาเยอะๆทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากหนองมันเกิดขึ้นจากแผลที่มันติดทั่วสี่ล่างหมดแล้วนี่นะก็เลยต้องใช้เตาปริมาณมากในการที่จะย่างก็จะให้แผลนั้นมันแห้งแล้วแห้งเสร็จก็เกาสะเกยดตรงนั้นมันได้ความสุขจากการเกาตรงนั้นนะเข้าใจไหมเนี่ยเมื่อกลางเป็นแบบนี้เมื่อเช้าไปเกากันมา่อไรอ่ กินนะมกินบ้างทำตรงนู้นบ้างทาให้มีความสุขอ่ะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนี่ไงคือคือวัตถุกรรนี่แหละสรุปแล้วพระเจ้าบอกว่าจัดทั้งหลายที่ยังมีกิเลสคือคนเป็นโลกเรื้อนแต่ถ้าใครขจัด ก, กิเลสออกหมดแล้วแปลว่าโลกเรื้อนหายแล้ว ถามว่าท่านเราไปเจอหน้าใครแล้วบอกวอ่าดูก่อนท่านผู้เป็นโลกเรือนทั้งหลายนี่ก็จะโกรธเราไหมโกรธเลยเพราะเขาไม่รู้ข้อมูลใช่ไหมแต่ถ้าเราศึกษาคําสอนเราจะรู้ว่าอ๋อเราคือโลกผู้โรคเรื้อน <c oughs> นั้นในกาจะภิปายสาายธรรมกันอยู่แล้วก็บอกว่าหนึ่งเป็นโลกเรือนสองติดอ่างเหมือนอนี่ยทำไมาเวลาสวดเนี่ยโอ้โหเนี่ยสวดพระธรรมของพระเจ้าที่สวดมิ้นกครู่เนี่ย เทศตรวจบอกว่าขนาดตวจ ด, ดูเหมือนก็นอ่านมาฟัางก็น่าจะดูดีหน่อยนิดนะแต่คือโลคเลือนสวดคนติดอ่านย้อย่างทศตสวดบอกว่าอนเนกาชาติสังสารังสันดาวิสังอนิพิสังข า, าการังขเวสันโตดุขาชาติปุนาปุณัง ข้าฮัการกะกจิตโทสิปุนักแหังนากาหาสีสัพภาเตพาสุกาบาคาข้าหากกูตังวิสังคตังวิสังคารกัตังจิตังตัณหานังชัยมัชคาเนี่ยนี่คนโลกเลือดสววคือคนอยั่มีกิลิ กล่าวพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโรคเรือนแล้วอกัอกข่าแล้วไปยันชนะก็ไม่ถไม่ไม่ถึงเหมือนพระพุทธเจ้ากล่าวนี่ก็เรีคนติดอ่างลิ้นไก่สั้นก็นหาวพระธรรอย่างงี้นะจะได้มองเห็น โ, โอ้โหยทั้งผู้กล่าวทั้งผู้ฟังเนี่ยใช่ไหมเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาความเกิด ชรามรณีนะคือความแก่ใช่ไหมแล้วก็พยาธิแล้วก็ความตายโสกาบริเี้เรีกว่าทุกขโทมนะเจา้าปายะโดยความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นผู้ถูกความทุกอย่างลงแล้วอย่างลงในขันแล้วเนี่ยพอขันเกิดปุ๊บเนี่ยความทุกอย่างลงแล้วใช่ไหมเป็นผู้มีความทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าแล้ว ก็หมายความว่าขันท่าอเยตนะมันไม่ดับมันจะไปเรื่อยๆเนี่ยทําช่ไหนจะทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ได้ทํายังไงจะไม่ให้วัตถาเนี่มันเดินเข้าใจไหมทำยังไงจะไม่ให้ชาติที่ทุกชราทุกมรณะทุกเนี่ยไม่ความโศ ค, ความลาไรลําพันเนี่ยมันมันไม่เดินต่อทํำยังไงใช่ไหมจักทาในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่ตามสติกำลังเนี่ยตรงนี้ยไปแปรมันมีเสียเลยยังไงยะถาสติยะถาพลังไน่ตามสมควรเนี่ยเขาให้ปฏิบัติตามสมควรแก่โลกุตละธรรมไม่ใช่ตามสติกำลังของเราถ้าเรียนสติกำลังของเราบ่มที่ไหนเราไม่น้องที่จะบ่มอะไรเลยใช่ไหมค่อยเป็นค่อยไ ป, ย, ปยะถาสติยถาพลังมันน่าติกรโรทะาว่า ไมเคยสวดตรงนี้ไปแล้วบอก่ค่อยเก่งค่อยไปเนี้ยี่ยเก็ค่อยเขาให้เนี่ยเวลานั่งพาเขาสวดไปก่อนก็คิดวันนี้ก่อนวันนี้เราเข้าใจกันนะพอเป็นนั่งถามเลยแต่ละคนโอ้ยนี่ไงก็ทาไปตามสติกาลัดกันนี่ไงบดสวดเขาใหากิถามเาบอกให้ปฏิพัติทำตามสมควรแก่โลกุตตรธรรมเอาโลกุตตรธรรมตั้งมาเดินให้ถึง นั่นแหะตามกําลังนั่นแหะตามสมควรนี่าถาหรหังเนี่ยนะตามสมควรเนี่ยตามสมควรแก่โลกุตรธรรมเอาทําน้อยเนี่ยคลอยตามทําใหญ่ไะตอนนี้ไม่ได้ทําน้อยอยู่ไหมสติก็ยังน้อยอยู่ไหมสมาธิยาก็ยังน้อยอยู่ไหมความเพียรก็ยังน้อยคลอยนู้นน่ะถึงโลภุต ร, รธรรมมันเพิ่มมาไหมเพิ่มศรัทธาสติวิรยิยะสติสมาธิปัญญาปัญญานี่ยนะเพิ่มมาวันวันวนี้ไปนั่งมันเพิ่มขึ้นมาไหมเย่วันนี้รายได้เพิ่มขึ้นมาแล้ว แล้วมันซ่าภายนอกซ่าภายนอกจําเป็นนะจําเป็นอยู่แต่ซ่าภายในฉันขาดไปพิจารณานี่ซ่าภายนอกมันไม่ไม่กาดทุนใช่ไหมดูซ่าภายในด้วยทุกครั้งที่คิดถึงซ่าภายนอกให้น้อมหนึ่งซ่าภายในจะทำได้สิถ้าคิดถึงซ่าภายนอกคืคิดถึงอริยสัจคือศรัทธาเป็นต้นแล้วมันเพิ่มเงินไหมอันนี้โอ้โหแล้วอะไรเสียหายระหว่างซ่าภายนอกลดกับซ่าภายในวะอะไรต้องรีบเร่งก่อน ไม่ได้ตอนนี้ยอมรู้สึทรับแล้วมือรายใ่หรมากกว่ารายรับแล้วไปเอาซับภายในเหน็นไหมเพราะซับภายในเนี่ยจะเป็นที่พึ่งเงินซับภายนอกเงิยเป็นที่พึ่งพบนี้แต่ซั์ภายในเนี่ยเป็นที่พึ่งน้ำพบนี้แล้วพบหน้าตลอดถึงนู่นแหละเข้าถึงพบอย่างยิ่งเป็นต้นด้วยก็ไปนั่งตรวจสอบพิจารณาที่ตรงนี้นียบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่า มันรู้อธิบายสูตรไหนเลยที่นี่เชื่อมโยงถูกไม่ถูกด <c oughs> ้นี่เป็นเพื่ออธิบายเรื่องนี้ไงไอ้ว่าเมื่อกี้บอกเราเที่ยวค้นหาตัณหาที่เป็นผู้สร้างเรือนคืออัตภาพเมื่อไม่พบตรงนี้ท่านไม่บอกว่าเมื่อไม่พบตรงเนี้ยเมื่อไม่พบสัมมาสาัมโพธิญาณเมื่อไม่พบปัจเจกโพธิญาณเมื่อไม่พบสาวะกับโพธิญาณใช่ไหมถ้าอยพรรยางโพธ้าณเนี่ยตั้นค้นหาด้วยตนเองนี่ ในธรรมาดาในหนาด้วยกันก็พระประเจรกอดีกันอย่างเราเนี่ยตามง่ายตรงที่ว่าตามหูแสนจะสะดวกคิดดูทีว่านิพานก็มีใช่ไหมทางก็มีอยู่ที่จะไปพระนิพานผู้บอกทางก็มีอ่ะเอาที่มียุคไหนจะปจะ เ, เสดิจขนาดเนี้ย ต่อไป น, ะนี่พานมีกะทางมีแต่คู่บอกทางจะไม่มีอ่ะมันจะทุก ข, ขนาดไหนใช่ไหมเอาตอนเนี้ยผู้บอกทางมีอยู่คือเราคือสถาคดไม่ใช่ทำไมขุนเจ้าจมีอยู่แล้วประธรรมมีอยู่ไหมเป็นตัวบอกทางอนะ่ะที่บอกว่าส่วนใดเนี่ยซึ่งเป็นตัวโลกรุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกรุตระเห็นไหมพระศาสดานะเป็นส่วนแห่งการชี้แนว ลตนะคือพระปริยัติธรรมมีอยู่ปริยัติธรรมเนี่ยคือเพื่อขาสดาพระองค์เชี้อะไรชี้ธรรมบรรเทาทุกเงีชียสุขเกษมสารชียธรรมบรรณฤาษีนพนศกวิโยใครเคยเสดกันไหมล่ะนี่แหละพระเจ้าเนี่ยคือภาษาสดาคือรปริยัติที่แหละท่านเชีรนี่เราไม่ก็เดินตามท่านเงี้ยตอนนี้พระธรรมชียนี่เราก็จะไปตามใครกันไม่รู้เราจะไย่ยาอมาเลยเราจะบอก พระเจ้ชาชี้ให้เดินทางนี้เราก็จะเดินออกนอกทางอยู่เรื่อยเลยเนี่ยทำไมถึงขนาดนี้บอกถึงใช่ไหมสมัยก่อนะมาเลยอยมาเลยแต่ก่อนวิ่งทางคนอื่นตลอดว่งวิวิ่งวิเราเขไม่มีไม่มีธรร ม, มาวิจัยแท้มีแต่นั่นแหละทิฏฐิจะเป็นธรรมาวิจัยสมาธิทิฏฐิไม่เป็นธรร ม, มาวิจัยแล้ว นี่มีจายี่ตามโอ้นี่ถูกใจไปไปไ ป, ไ, ปไม่ได้ตรวจสอบแล้วไหนผิดไหนถูกคิดว่าท่านบุญนี้บอกมาเชื่อหมดเนี้ยนะไปเลยเดีนเนี้ทีนี้ตรงนี้ถึงบอกว่าเมื่อไม่พบโพธิญานเนี่ยจึงต้องท่องเที่ยวไปโอ้โหเพราะใช้สาวว่าท่องเที่ยวเนี่ยไม่น่าเดินทางไหมวไปเที่ยวกันเธอชื่นใจไหมคำนี้ คาว่าไปเที่ยวกันเดียวได้ชื่นใจไขันธาตุอายตนะอันนี้นะอันต่างในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยท่องเที่ยวไปมาหมดแล้วไม่ได้ไปอยู่คือสุดทาว่าจะกลุ่ม น, นั้นนอกนั้นไปมาหมดทุกผูุมแล้วยังอยากจะไปกันอีกเลยเนี่ยใช่ไหมใน อาวิหาอรอตาป า, า, าสุทัศสาสุทัสีอกนิฐานห้าภูมิไม่เคยไปในสามสิบเอ็ดนี่นะนอกนั้นไปมาหมดแล้วอยากจะไปสุทาวาสเลยนะถ้าอยากจะไปสุทาวาสเนี่ยเขามีข้อแม้ทําโสดาปริมารสกัดทาคามักเป็นผ้านาคาถ้าไม่ได้เป็นบ้านนาคาเขาไม่ให้เข้าไปในในภูมิเหล่านี้เลยอย่างงี้นะมัน ม, ม, มีมีเงื่อนไขแค่นั้นแหละนอกนั้นไปได้มาหมด สรุปแล้วถ้ามีใครชวนไปเที่ยวเราก็ต้องถามเ่าเลยใช่ไหมเนี่นยมเบอกว่าเนี่ยเขาบอกไปตรงนู้นตรงนี้ไหมแล้วบอกเราไปมาแล้วหลายรอบแล้วเบื่อแล้วแต่ถ้าจะไปเฝ้าพระเจ้าไปที่จากบ้านสู่บ้านเน่ยไหมอย่างนี้ไป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 เป็นไก่ป่าเป็นโปภูเขาเป็นเสือสิงเสือสัตว์ในภูเขาไปอย่างยาวนานแล้วเมื่ออยากไปเที่ยวดูอีกแล้วมันจะไปสร้างตันหาเกิดขึ้นแต่ถ้ามีพระเจ้าอยู่ตรงนั้นข้าะเจ้าจะไปเอางี้ได้ไหมตั้งกติการในใจเนี้ย น, นะเวลาเคยกลี๊งมาบอกไปเที่ยวไหมเนี่ยเื้ยไม่ได้ไปมานานแล้วอ่ะใช่ไหมัมนเหนื่อยมันเหลือชั้นที่เหลือนี่จะใช้ธนูถนองเอาไว้เพื่อจะบูชาพระเจ้าตรงนั้น เหลือเวลาเห็นการบูชาคุณพระเจ้ า, าน้อยเต็มทนแล้วยังไม่ไหวอยู่แล้วหลับไปมันไม่รู้จะตื่นในวงขึ้นบูลืมตาตื่นมาบูชาพระเจ้าหรือไม่เนี่ยมันคิดตรงเนี้ยตั้งกติกาในใจอย่างนี้เขาไว้แรงๆมันจะได้ไม่เพลินด้วยอารยะมรามาเนี่ยยินดีแล้วด้วยอะไรหรือว่ายินดีในอะไรอริยลตาเนี่ยหรือทำมาอาริยะสมุทิตาเนี่ยนะก็หมายความเบิก บ, บานเนี่ยจะได้ไม่เบิก บ, บาน เขาชวนป๊บยังเบิกบานแล้วก็บอกรู้เลยนี่ตัหานี่เอาอีกแล้วใช่ไอไปดูเขาจุดบังไฟสวยอย่างเี้ยนะผมไม่เอาแล้วไปดูที่เนี่ยเามีการแสดงตรงนั้นน่ไม่เอาเลยเนี่ยตรงเนี้ยเราจะไปมุทตาอะไรกับเขาใช่ไมมันเป็นตัหาโอ้โหเขาลํางามจริงๆเนี่ยนะไม่เอาแล้วถ้าเขาลําถวายพระเจ้าเราก็จะอยากจะลําถวายด้วยเอาไม่เอาลําเป็นบุญนี่เอาั ถ้าตั้งกติกาในใจอย่างนี้สิก็ชักใช่ไหมก็ชักก็เหมือนนั่งรถไฟผ่านผ่านหนึ่งเที่ยวนี้ไอ้คนที่มารับเป็นคนขับรถค้นรถก็ออมาก็บอกบอกบอกพี่โน้ตไม่เอาบอกว่ า, าไม่เอา อเออไม่ครับไไม่ต้องไม่ต้องไม่หลับไม่ทาไมเออเออไปจงัไปหคือคือเขาก็อยากถามพระว่าคิดยังไงเนี้ยเวลาพระไปเห็นคนเขาแต่งตัวเหนเขาเลยถามก็ถามท่านอายเวลามาในกรุงเทพเนี่ยเห็นกลุ่มใบรุ่นเขาแต่งตัวท่านคิดยังไง ก็เลยมอนนนเร่ก็เลยมองหน้าอย่างตามจะให้จะใช้คิดอย่างนึาคิดที่ตาใช่ไหม <c oughs> ตาก็เป็นที่ไหลออกของคีตาอย่างมากมายวันวั น, นหนึ่งในตากลอดหนงมีนก็ผลิตน้ำตาผลิตขี้ตาออกอย่างเยอะแยะไปหมดดันั้ น, นในตานั้นก็เป็นของไม่งานทั้งมันมีเส้นยใยต่างๆโยงแะะใยเต็มไปหมดนะนั้นตาของคนเรานี่ก็ประมาณจะเท่าไ ค, ค่ไกในตานั้นตัวข้างในเป็นจากรูปศาสตร์และนอกมันเป็นสสารประละก็ จับสุ่รวมกันเิ็นก้อนต่างขึ้นมาก้อนหนึ่งเป็นที่การของโรคอย่างมากมายรกต้อยกต้อกระจกต้นื้อี่เป็นดี่ตั้งของความไม่ไงที่หูก็ผลิตออกมาซึ่งอะไรมีขี้หูไหลออกอย่างแตระวันแต่ละวันที่จมูกก็มีน้ำมูกไหลใช่ไหมปากก็มีเสลิดและน้ำลายทวารหนักทวารเบาก็เปที่ไหลออกของอุจจาร ะ, ะประสัสสาวะตามลําตัวทั้งหลายก็เต็มไปด้วยเมือไคไหล ข้างในก็ผลิตของที่ไม่สะอาดมีปอดมีไตมีไตมีอะไรต่างๆระยองระยัยนะมีท oh, ั in kids, ้ง <Kristen> ดีเศษน้องเลือดเงมือนน้ามันก้นน้ำต่าลนี่ไงพระคลาคิดนั่นเป็นพี่ตั้งของพระไม่เลยเขาก็เลยมองโอ้พระเขาคิดอย่างนี้เราคิดแบบนี้เอาถ้าไม่คิดอย่างนี้เราก็จะไปยินดีไปเพื่อเพื่อสิงนั้นใช่ไหมก็เลยบอกเขาเขาก็โอ้ผมไม่รู้หรือว่าพระท่านคิดแบบนี้ ผมไม่เคยคิดอย่างนี้เลยไม่ได้บอกเขาเขาคิดอีเพราะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือเป็นที่ตั้งของความไม่งามแล้วมันเที่ยงไหมจริงๆในที่เขาจะยังไงก็แล้วแต่เขาก็เสียข้าศนดิ้นรนต่างๆเหมือนเนี้ยถามว่าเขาดิ้นรนเขาไม่เห็นในยยสัตว์คนที่นู้นนั้นวันๆเขาก็เพลินเพลินเพลินไปแต่ละวันเนี่ยใจที่มันเป็นไปกับความคิดอย่างนั้นถามเป็นไปกับบุญหรือเปล่าถามว่าเป็นไปกับบาปเมื่อเป็นไปกับบาปบาปนั้นส่งผลครับ ส่งผลเบียดเบียนไงบุยเบียนเขาเองเขารู้ไหมว่าเขาเบียดเบียนตนเองแล้วรู้ไหมเขาทาอย่างนั้นทําให้คนกอื่นเกิดราคะโทสะแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นอย่างไงฉะนั้นการที่เขาประพฤติปฏิบัติเพื่อเบียดเบียนตนเขาไมีรู้เบียดเบียนคนอื่นก็ไม่รู้เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายก็ไม่รู้แล้วถามว่าพบหน้าเขาควรจะไปไหนเนา อ, อบายทุกขติวิบัติมนะะุโลกถามว่าหน้ากรุณาหรือหน้า ย, ยินดีเหมือนหน้า ย, ยินดีเนะี่ยเขาเป็นสัตว์อบายถ้าพูดอย่างนี้เขาโกรธแต่เราตึกในใจวันนี้คือบายเนะ สัตว์ที่เขาจะต้องลงเสือไบโยาภูลซึ่งเราก็เคยคิดแบบนี้มาอย่างยาวนานแล้วเคยทํามาอย่างนี้อย่างยาวนานแล้วถามว่าเห็นอย่างนี้เราควรจะยินดีกับเขาหรือควรจะมุทิตากับเขาไหมหรือควรจะตั้งกรุณาหรือจะควรจะอุเบกขาหรือควรจะเมตตาแล้วก็ใค่อยรวมดูวัตถุชิ้นนี้เราควรจะเจริญอะไรใช่ไหมเป็นที่ตั้งเหตุอะไรแต่เโอ้โหท่า น, นคิดอย่างนี้คิดแบบนี้คิดมานานนี่ยังนานแล้ว คิ ด, าดมาแล้คือคื อ, ค อ, คอต้องพยายามไถ่นั่นคือของจริงใช่ไหมนั่นคือของจริงทีนี้ถ้าไม่คิดอย่างนี้ถามว่าชีวิตมันจะออกได้ยังไงใช่ไหมมันต้องตรึกมันต้องไข่ควมันต้องวิจัยอย่างนี้มันต้องวิจัยแบบนี้ฉะนั้นตรงนี้ต้องหวอสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยย่อมยินดีเบิกบานไม่ไม่เบื่อในการอยู่ในขันธ่าไดยะจัง ไม่เบื่อในการที่จะอยู่กับตาบอนะอ ข, า ข, าขาองจมูกลิ้นกายใจไม่เบื่อนะเขาเยี่ยมเายินดีเขาจะเพลิดเพลินในการมีตาของจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมคันท่าระยะนั้นที่มันเกิดขึ้นสืบต่อไปเนี่ยเขาไม่เบื่อตัวนี้เลยแปลว่าไม่เบื่อสังสารวัฏด้วยอะไรคือกามแล้วก็อะไรก็คือความยินดีตันหาทั้งหลายนี่ได้กล่าชนะเดียนั้นน่ยพระบรมศาสดาจึงบอกเมื่อแสดงทรงแสดงอะไรทั้งสองอย่างอะไรคือที่เป็นตัวตันหาคืออะไรที่เป็น ตัววัตถุนี่นะแล้วก็เลยบอกราวกับว่าพระราชานั่นเองที่เสด็จพระราชอุทยานต่างๆดหลนั้นนะ่ยทีนี้ประการต่อมาคําว่ายะที่ทางเนะี่ยเป็นนิบาตหมายถึงฐานนะของคําว่ายะที่ทางเป็นต้นหมายความว่ายังเนี่ยยังอิทันติปฏิจจสมุปปาทางเป็นต้นคำว่าโยายังเป็นต้นความเป็นปัจจัยแห่งธรรมซึ่งมีสังขารเป็นต้ น, เ ป, น, ตนเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเนี่ยอิทับเปียาตาเนี่ยนะปฏิจจสมุป ปาโตเป็นต้นนะปัจจัยธรรมแห่งธรรมมีสังขารเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าอิทัปัจจยาตาอิทัปัจจยานี่นะหมายความว่าอิทธปัจจยตาอิทธปัจจยาตาเป็นต้นเนี่ยปฏิจจสมุ ป, ปันในสู่เป็นต้นเหล่านี้นะหมายความบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่เห็นธรรมที่เกิดขึ้นติดต่อกันโดยสายปัจจัยเกิดขึ้นเช่นสังขารเกิดขึ้นโดยสายวิชาในสัตว์มิสราชรากับมรณะความแก่และความตายเป็นต้นสายชาติเกิดขึ้นสัตว์ก็ไม่รู้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 ความเป็นปัจจัยเห็ธรรมมีสังขารเป็นต้นเป็นธรรมอาศัยกันและกันเกิดขึ้นคำนี้เป็นชื่อของธรรมที่เป็นปัจจัยมีสังขารื่องคำทั้งหมดเนะี่ยธรรมที่เป็นที่ระงับระงับสังขารเขาเรียกว่าสพัพพ ะ, ะสังขารสมถโธสมถะแปลว่าระงับสังขารทำอะไรนาะที่จะเป็นธรรมที่สามารถระงับสังขารได้คือพระนิพพานไงสัตว์ไม่รู้พระ น, นิพพานว่าเป็นธรรมที่ระงับความกำลังเรื่ ไอ้สังขารนี่มันกำเริบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเอากำเริบไหมแล้วหยุดตัวมันได้ไหมเราไม่สามารถจะหยุดสังขารได้เลยใช่ไหมเขาเรียกเป็นโรคที่กำเริบหน่ะยาที่จะสามารถระงับความกำเริบเก่าคือความเกิดแก่เจ็บตายได้ต้องพันธุพันธุ์นัน้นนะั้นมีโอสถโอสถนี้อย่างเดียวเรื่องนั้นนะที่พระเจ้าคนเจอแล้วพระเจ้าก่อนก่อนก็คนเจอแล้วทางที่จะไปัรักษายาไปเข้าหาถึงยาเนี่ยก็มีอยู่ใช่ไหม คือคือมัจเนี่ยเนี่ยก็มาพิจารณาดูอ๋อพานิพาน น, นี่เเป็นธรรมที่สงบไหมประสาทโลกนั้นน่ะอาศัยพานิพานนั้นก็ย่อมจะดับความดิ้นดิ้ดนรนแห่งสังขารก็สงบนะครับได้ตอนเนี้ยสังขารมันดิ้นอยู่นะมันดิ้นรนกระเสือกกระสนกันอยู่นะตอนเนี้ยเอาดิ้นไหย ความเกิดเบียดเบียนความแก่เบียดเบียนความตายเบียดเบียนโรคเบียดเบียนความโศกเบียดเบียนใช่ไหมความร่ำไรลำพันธ์เบียดเบียนกระแสของขันของสัตว์โลกอินตทอรเยวลาเนี่ยมันก็ดิ้นลนดิมันเหมือนว่าเอาเอาสัตว์ปีไปไปมัดเขาไว้แล้วเอาไฟถูกอะเอาไฟมาเกาะกับกาะเผาไหมมันเนี่ยมันดิ้นไหมล่ะมันก็ดิ้นดิ้นดิ้นมันอย่นะมันก็วิ่งไปจุดนะเอาไฟก็ตามไปอีก็วิ่งวนอยู่นั่นแหละเอาวนวนให้อีที่ศาสตร์เขามัดอยู่กับเชือก เชือกนี่มันก็มัดอยู่กับตอเนี่ยไอ้ตอเนี่มันก็แปลว่าไงตอเนี้ก็เนี่ยมันหมุนเนี่ยมันเกาวิ่งเอาก่อไฟตามมันไปนี่ไฟโยนใส่มันร้อนร้อนก็วิ่งหนีไปมันก็ร้องทุกข์ทุกข์มันร้องไงมันจะหนีมันหนีไม่ได้ไอ้เชือกกระโผลมันไว้อยู่แค่แหละเชือกผูกไว้ในภพสามในการพบรลภพบโลภพบผูกไว้ก็วิ่งวนไปมันก็เลื่อมโทรมันมันดิ้นมันหาทางสงบระงับไม่ได้แล้วตัดเชือกก็ไม่ได้ ดับไปก็ไม่แน่ตรงนี้เนี่ย<ๆ>เดี๋ยวบอกว่าอาศัยพระนิพพานเนี่ยจึงจะสามาะรถสลากอุปทิศได้เพราะว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่สงบระ ง, งับและเป็นธรรมที่สิ้นจากตัณหาใช่ไหมสํารอกสํารอกรอกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้ถ้าสํารอกกิเลสไม่ได้เนี่ยชาติทุกข์ดับไม่ได้ถ้าสํารอกกิเลสคือราคะโทสะโมหะได้เนี่ยก็ดับชาติทุกข์เชืาทุกข์เป็นต้นนะ ในไม่กิเลสเนี่มันเกิดในใจเนีมันสำรอกไม่ได้ยามบาลีเขาใจว่าสำรอกไหมสำรอกเครกินอาหารอลไรเ้วอ้วกไหมนั่นแหละต้องสำรอกกิเลสออกมาอย่างนั้นแต่กิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นกิเลสมันคือราคาตัวตามมาไปอ้วกสักร้อยครั้งนี่มันออกไหมมันไม่ใช่รูปเนาะที่มันติดแน่นอยู่ในความคิดเนี่ยต้องสำรอยความคิดที่มันเป็นกิเลสทิ้ง นี่สำรอกออกมาท่านเคสสอบดีเนะี่ยให้สำรอกสอบปนิสาาักคะอ้วกออกมาคนะุณทีไปนั่งอ้วกโออวกอะไรดกไ้กินอะไรผิดเข้าไปนี่แม่ทำไมกินเลไม่หลดออกมาบ้างมั้งใช่หลดออกมาสบายเลยเนาะใครสำรอกได้ก็เชื่อมาบอกเร็ว ทุกทั้งหมดก็ดับไปเนียชาติทุกท่านจึงเรียกว่าสละอุปธิอุปธิมีอะไรบ้างขันก็เป็นอุปธิรูปเวทนาสัญญาทั้งการอายตนาก็เป็นเหมือนอุปธิทั้งหมดเลยเนีย่ยา่าทั้งสาเป็นอุปธิสังขารสังขารอุปธิอันนี้เป็นอุปธิเนะยเจตนากรรมทั้งหลายเนี่ยโอโหเป็นอุปธิเลยแล้วก็อะไรกันเนี่ตัวกรรมนั่นแหละก็ถูกแล้วเพราะกรมมาคุณทั้งหลายการมมูปธิ ใช่ไหมพบกกิกเลสกรรมพบกวัตถุกรรมต่างๆจะเป็นอุปธิ เ, เนี่ยพวกพวกพวกอุปธิต่างๆเหล่านี้เจะต้องสํารอกเพราะเป็นเครื่องสระเช่ไเป็นที่สิ้นไปตัณหาเป็นที่สํารอกพบได้ด้วยเป็นที่ดับตัณหานี่ยเรียกว่าวนาเนะ่ยเพราะร้อยรัดเย็บพบไว้กับพบแล้วก็เย็บกรรมไว้กับผลของกรรม เคยเย็บผ้าไหมนะเป็นนักเ ah, ย็บผ้ากันเยอะนี่ยนั่งนั่งกันอยู่เนี่ยไม่มีใครไม่เคยเย็บผ้าเนี่ยนะใช่ไหมยะไอตัวเย็บผ้าเนี่ยมันเหมือนตันหาไอผ้าแต่และจริงๆรเน่ยถ้าหากว่าเส้นได้นะเส้นได้จริงจริงมันเป็นฝ้ายเนี่ยแล้วก็มาร้อยใส่กันนะเรียงไลเป็นผ้าไ ด, ด, ด้ใช่ไหมถ้ามันร้อยติดกันเมื่อเขเย็บติดกันมาทีนี้เวลาตัดใช่ไหมแล้วเราก็ไปเย็บติดกันอีกเห็นไหม ถ้ามีจักมีเข็มมีได้เนี่ยก็มาเย็บให้มันติดกันได้ตัวตั้หาเนี่ยมันตัวร้อยตัวเย็บเช่นระหว่างกรมมาพบกับกามมาพบเนี่ยมนุษย์ต่อมนุษย์ก็ดีมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานมนุษย์กับเปรตมนุษย์กับสุรกายมนุษย์กับอบัยวูมเนี่ยอบัยวุมต่ออวัยวุมทั้งหลายเนี่ยมันมันร้อยเย็บติดกันเนี้ก็แล้ระหว่างพบต่อพบมันไม่ขาดมันไม่หลุดออกจากกันได้เลยและระหว่างกรรมกับผลของกรรมเห็นไหม เขบอกว่าโรเาูเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างคือการกระจายตางของจมูกเล่นกระจายของเราอันนี้เป็นอะไรเป็นขันห้าไอขันห้าตรงเนี้ยมันถูกกรรมในอดีตเนี่ยใช่ไหมกรรมในอดีตเนี่ยเป็นตัวให้ให้ผลเนี่ยนะแล้วตอนนี้มันให้อยู่ตลอดเวลานนเนี่ยกรรมเนี่ยเราไม่รู้กันหรอกที่นี้มันให้ได้นั้นเพราะมีตังหาตัวเชื่อมตัวร้อยเข้าไว้ตัวเย็บเข้าไว้ใช่ไหมจะบอกว่าเรียนเยอะเลยกันแล้วนะนะ เรนี่ยังอุปาทินานุปาทานียธรรมะใชสภาวธรทั้งหลายที่กรรมอันตหาและทิฏฐิเข้าไปติดยึดไว้ด้วยว่าเป็นผลเน่ยนั่นเป็นอารมณ์อุปาทานมีอยู่อ่ะนั่นแหละนั่นแหละก็หมายความว่านี่ไงท่านห้านี้ยแหละกรรมอันตหาและทิฏฐิเข้ามาติดยึดไว้ด้วยควาเป็นผลของเขาหมายความบอกว่าเขาบวกกับกรรมในอดีตเขาให้มาเบ็ดเสร็จแล้วเขาก็ยึดเข้าไปเลยเป็นผลของเขา แล้วเขาก็จะคอยส่งให้ตลอดเลยเอาสิเมื่อวีเขาเป็นผลของเขาเนี่ยเขาก็คอยส่งให้เห็นดีเห็นไม่ดีได้กลิ่นดีริ้มรอไม่ดีสัมผัสไม่ดีแล้วเห็นไม่ดีอะไรต่งางกันหลายเขาให้ตลอดตอนเนี้ยตอนนี้เขาผลิตมาให้ตลอดแล้วเนี่ยความสุขและความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยกรรมเป็นผู้ให้ตัณหาเป็นผู้ร้อยเข้าไปนี่นะอ น, นี้แหละผลของเราให้เลยให้ให้เต็มที่เอาเอาโรคไป เอ้าวไตมันมีมากกระตัดไตมันอย่างนั้นน้อย่างเงี้ยนะทำไตมันดื้อบาดไปเสียใช่ไหมนี่มันผลของเราเนี่ยแล้ก็โหยผลิตถูกโป๊ะโป๊ะโปเลยนันอยไปเปิดเครื่องโทรศัพท์บ่อยกรรมมันรู้ทิศทางเหมือนตัวซิมเลยนะใช่ไหมมันซิมการ์ดทั้งหลายอย่างเงี้ยที่เสียบมันเสียบในกระแสขันเสียบปักในสมองเรื่องต้องทําไงดีจะได้อาจุศกรรมมันไม่เอาเอากุศลมาคุมไว้ เหมือนเหมืนสร้างสร้างอะไรอย่างงี้ยนะสร้างแผ่นเหล็ที่ไม่สามารถที่จะอากุสนมันมันส่งมันหาเจอเพราะเรายังถอดไอถอดซิมนิ่ไม่ได้ใช่ไหมมันถอดกิเลสในใจไม่ได้มันต้องใช้คีมระดับอรียมาร์กเนี่ยเข้าไปคีบแล้วถอยออกน่าโกงยิงเนี่ยตอนนี้มันยังฝังแน่นอยู่ไม่กิเลสเนี่ยไม่มีคีมกับเคืออะเรียมาร์กเนี่ยเข้าไปคีบแล้วก็ดึงออกก็ดึงออกได้ กรรลงที่หลงทางอะไรนี่หาไม่เจอก็หาไม่เจอตอนนี้มันปุ๊บอไม่เจอเมาได้ไรเนี่ยมันเหมือนตาเทียมอยู่บนเงี้เหมือนอย่างนั้นนะนี่โ อ, อมาเนี่ยนี่มันก็ส่งให้โอ้โหมันรักกันชัดเจนเลยต่อไนเขาจะไปตรงไหนแต่เนี่ยเอาวิ่งไปเลยขับรถหนีหนีได้ไหมละเขาเย็ดไว้หมดแ ล, แล้วพื้นที่ในโลกสามเนี่ยหนีไม่มย ไม่ใช่ที่เราภัยเลยไม่ใช่ที่เราภายเลยมองเห็นได้อย่างเดนี้นั้นในขณะที่ขับรถไปเนี่ยมันจ้องเราตลอดมันเริ่มแล้วทำไมชนกกรรมมันให้มาแล้วแต่เดี๋ยวมันจะให้ใหม่เดี๋ยวมัจะแต่งเกิดทันทีนะเผลอแป๊บเดียวมันจะทําให้เกิดใหม่มันจะได้อสุภาพใหม่ทันทีโอปธรรมอ่ะมันก็ให้อยู่โอปปีรักรรมเบียดเบียนมันก็เบียดเบียนอยู่อุปฆาตกรรมมันจ้องตลอดเวลามันเอาสิเอาสิ เนี่ยกำลังเดินเดินไปเนี่ยมันจะเล่นทุบให้ให้มรณะเมื่อไหร่ก็ได้เข้าใจั้มเนี่ยงั้นกรรมอันตัหายได้เข้าไปติดยึดไว้แล้วก็เป็นผลของเขาเนี่ยเดี๋ยวตามเล่นกันได้เพรามีตัณหาเชื่อมอยู่เข้าใจไหมว่าจะได้กลัวใครกันจริงๆมันจ้องขนาดนั้นเลยนะแล้วพูดพวดนี้กลัวกันบ้างเลยเนี่ยเฉยเฉยท่านไม่เห็นมันจ้องกันจริงๆลองลองลองไปโยคะวิบัติหน่อยมันให้ผลัที เราตาเดินข้ามถนนแล้วเราชนแลถ้าไม่ชนเดินอีกรอบชนมาเนี่ยเรียกประโยชนค้าวิบัติเป็นต้นมันให้จนได้เลยไม่มีทางให้เราเป็นผู้โชคดีตลอดเดินไม่ถึงสามรอบสีรอบเนี่ยก็เก็บศพนี่วุปข่ายอะไรกัมันเกิดจากความบ้าหมาแจกประโยค้าวิบัติขับรถขับรถไปในเผือแป๊กเดียวแค่นั้นะตูมจบจุดตีทันทีปฏิสนทีทันทีเหมือนกัน มันพร้อมที่จะชนกรรมพร้อมที่จะให้จ้องตลอดเวลาด้วยมันพร้อมที่ให้ถึงบอกไงบอกว่านอนไม่เคยคิดเลยว่าจะลุกขึ้นมาได้ฮะไม่เคยคิดเลยนะว่าจะจะลุกขึ้นมาได้นะเวลานอนเนะนี่ยเนี่มันสัญญาณเก่า ม, มันเตือเ่อญเลยมันจะให้ผลอยนะัเลยนะเนี่มันมันยังให้ผลตลอดเวลาเลยนะเสียงที่ได้ยินนั้นคือกรรมเขาให้ผลกรรมเขาให้ผล อาถามว่าเสียงว่าทำที่ฟังอยู่ในแค่กุศลกรรมให้ผลไหมนี่กุศลกรรมให้ผลและในขณะที่กุศลกรรมให้ผลที่หลว่อกุศลรรมก็แทรกเป็นระยะระยะเห็นไหมเสี่ยปูดปอบนี่ใครผลมันดีเลยเนี่ยใช่ไหมต้องดูจาเสียงข้างนอกไงสารพัดเสียงสัตว์ล้อมได้ยินเป็นระยะไหมนะงั้นคือกุศลกรรมมันแทรกให้ผลใหมเห็นไหม ในขณะที่ฟังพระธรรมเนี่ยบางทีมีเสียงรบ ก, กวนมีเสียงสัตว์มีเสียงอบรรยายสัตว์มันรบ ก, กวนมันให้ผลอยู่ตลอดเวลาทั้งสุขและทุกข์สัตว์โลกไม่สังเกตนี่เขาเรียกมันให้ผลในปกติการถ้ามันเบียดเบียนเนี่ยเอาที่มันเบียดเบียนน่ยทั้งเบียดเบียนนังตาได้เบียดเบียนนังตาถ้าให้ผ ล, ล, ลที่ตาได้มันให้ที่ตาถ้าเบียดเบียนทางเสียงได้ทั้งหูได้มันเบียดเบียนเถ่อให้ผลที่โสตาบประสาทได้มันก็เล่นโสตับประสาเลยเนี่ย ให้ผลทางคณะได้ใช่ไหมคณะทวารได้มันก็ให้กลิ่นมาหรือบางทีมันให้ตัวคณะทวารเลยเบียดเบียนคณะทวารเลยบางทีก็คือชิวหาทวารมันก็ให้หรือไม่งั้นก็เบียดเบียนตัวชิวหาทวารเลยเป็นต้ไนไรนี่เนื้อบางทีกายทวารมันให้ผลให้ม่สุขและทุกข์บางทีมันก็เบียดเบียนตัวกายยับศาสตร์เลยเป็นต้นสรุปแล้วตามเนี่ยมันให้ผลอยู่ตลอดเวลาแลต่จิตศาต์โลกก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่ทราบ ไม่ใคร่ควรไม่พิจารณาไม่ไตรตรองจบเลยงานนี้แล้วก็อยู่กันอย่างไม่เห็นบุญและบาปไม่เห็นผลบุญและผลบาปทั้งๆ ท, ท, ที่มันให้อยู่ตล อ, อดเลยนะไม่คมีใครลุกขึ้นมานึกสะเทืนใจแล้วกลัวเลยโอ้โหเนี่ยกรรมมันตั้หาและทิถีเข้าไปติดยึดไว้ด้วยความเป็นผลเนี่ยจะเป็นอารมณ์ของอุบาทานนี่ยังไงอุบาทานขันห้านี่แหละตั้หามันเข้าไปยึดเว็นผลเพราะมันเพราะมันสร้างร่วมกับกับกรรมในดีดไว้ แล้วโมหะก็ปิดมันเป็นสำคัญมันเป็นของของมันเรามีตัณหาเป็นเพื่อนเนี่ยตัณหาทุติโยปุริโสเราไม่มีศรัทธาเป็นเพื่อนนะถ้าเรามีขนาดใดเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีตัณหาเป็นเพื่อนเรามีศรัทธาเป็นเพื่อนสัตว์โลกมีสองตัวนี่แหละมีศรัทธาเป็นเพื่อนหรือตัณหาเป็นเพื่อนเราเราใครเป็นเพื่อนดีเราบอกคืาอยากเอาศรัทธาใช่ไหมแต่บางครั้งตัณหาเป็นเพื่อนกินอาหารอยู่ ศรัทธาในพระเจ้าหรือหรือกําลังเป็นท้าทนานั่นตอนนั้นท้าทาเป็นเพื่อนใ น, นขณะที่นอนมีความสุขอยู่ตอนนั้นศรัทธาพระเจ้าจึงนอนหรือว่ามีความยินดีพอเพื่อนๆนนั่นแหละมีตัาหาเป็นเพื่อนสัตว์โลกมีตัาทาเป็นเพื่อนสองแล้วก็เป็นโลกขาดเพื่อนไม่ได้เข้าใจไหมขาดไม่ได้มนขนาดหนึ่ง ฟังออกไม่ได้คําว่าโลกขาดเพื่อนไม่ได้เนี่ยเขาเรียกเป็นโรค ว, ว้าวีเป็นกันมาอย่างยางนานแล้วเราเคยสังเกตไหมธรรมตันห้าทุตีโยบริโสนแต่ก่อนนั้นมาฟังที่เฉย่างนี้เขายายแล้วคือเป็นโรค ว, ว้าวีขาดเพื่อนคือตันหาไม่ได้ถ้าเวลาใดเราไม่มีความยินดีไม่มีความเพิดเพิดเวลานั้นเราทุกมาก เราก็จะสแสวงหาทำย่างไงโน้เราอยากจะยินดีเราอยากจะเพื่อเพื่อนเราอยากจะมีความสุขเราไม่เคยเอาศรัทธาในตถาคตาโพธิศรัทธาเป็นเพื่อนสองเราเลยและนั้นๆจะมาเป็นเพื่อนที่ขนาดฟังมาทํานี่นะมาขอนั่งในะมันสบายๆเลยเคยคิดถึงไหมว่าจะเคารพพระเจ้าศรันธาขนาดนั้นเลยนะเอาในห้องฟังทำอย่างเราเราท่านทั้งหลาย ไม่ต้องไปข้างนอกข้างนอกไม่ต้องพูดถึงปิดประตูเลยเอะไมาใชกไหว่าตอกฝาลงด้วยอีกห้าสิบดอกโอกาสที่จะแย้มก็ไม่เห็นพระเจ้าแทบไม่ต้องพูดถึงแล้วก็นั่งตอกฝาลงกันอยู่นั่นแหละ ม, มันจะแกะฝาโลงออกมาได้ยังไงตอกไปในความคิดเนะี่ยทุกหน่วยความคิดมันตอกตะปูย้ำย้ำย้ำไว้ในว่ารตากหมดเอาสิทุกความคิดที่เกิดขึ้นมันเคยคิดออกมา น, น, นานๆอย่างที่ออกมันดีออกเนว่าตา นันก็ตอกยํำปอกปอ ก, ก, กเคยในะตอกใบบางคนก็ตะปูยาเป็นวาบ้างเป็นืเป็นครืบก็มีตอกติดแน่นในวัตตาเอาที่แท น, นสัตว์โลกมีตันหาเป็นเพื่อนสองก็อย่างนะไม่ได้มีศรัทธาเป็นเพื่อนน้อยเวลาจะมีศรัทธาเป็นเพื่อนสองเราจะวุ่นวายอยู่กันเรื่องวัตถุกรรมกันมิจตุ๊ดแม่เพลิดเพลินอยู่วัตถกรรม ไม่มีที่จิตคิดจะออกมาหาบริการกันชักเท่าไรถ้าจะออกมาจรลาทีก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องมีท่าทางเยอะคือตัณหาวิจิตมาก อ, ะอ่ะโอ้โหต้องต้องไปขอร้องอะ่ะไปออกไปขอร้องวัตถุ ก, กรรมนะไปไม่นานเดี๋ยวนะี้เดี๋ยวมาหาอย่าน้อยใจนะข้างหนดนั้นเล ย, ย <c oughs> เราไม่ลืมคุณหรอกเดยวคุณเราจะมานอบนอมคุณบ้านหลังเนี้ย เรายึกเป็นเบ็ดเสร็จแลเป็นท้องคุณ เ, เ, เราเราไม่ทิ้งคุณหรอกต้องขอร้องก็าแล้วขอร้องก็รงเร า, าเขาอนุญาตทีอาทิตย์หนึ่งครั้งเดียวพอนะ <c oughs> ต้หนหาเขาเขาเขา อ, อนุญาตมางั้นเนะียใช่หัหยห้ามมากกว่านั้นนะ <c oughs> มากล <c oughs> เดือนหนึ่งครั้งพอเราเกรงใจไหมเราเกรงใจวัตถุกิเลสการเยอะ บางทีต้องขออนุญาตในเย่เฝ้าพระเจ้าเนี่แค่จะไปเฝ้าพระเจ้าเราเนี่ต้องขออนุญาตกิเลสเลยกินเลยนะเนี่ยจะไปธุระตนะ้ขออนุญาตประโยชน์จะไปกล่าพวพระเจ้าพ่ออย่าไปนางนะเขาบอกเข้าใจไหมที่เขาพูดอย่างนี้เราเก่งใจวัตถุการมกิเลสกรรมมา แต่เราไม่เคยจริงยายพระเจ้าอืพระเจ้าสร้างบารมีมายี่สประสมขายยิ่งแต่แสนคนถ้าเพราะนะถ้าพระองค์ไม่มีชางก็เปกขาเหมือนอาดามาอาดามาไม่มีจะรังก็เปกคขาเนี่ยไม่มีเลยนะที่จะมาเฉยๆกับอารมณ์บางอารมณ์ได้ยังนะมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินไล่ มีสติสัมปชัญญะอยู่นี่เป็นอันนี้เป็นสติปัฏฐานของพระผู้นีพระภาคยาวตั้งแต่มาไม่มีตรงนี้เวลาไปสมัยก่อนไปคุยกันยศพ่อยศแม่คุยกันเลื่อนเลื่อนกันเลยอ่ะไอ้ลาวเขบอกต้องให้เจริญกุศลวัดก็ทำอยู่ก้อยเป็นก้อยมอกเดี๋ยวเก็บเก็บฟังสรรมะแป๊บเดียวเนี่ยจะความเพลินทุกท่านนี่นะตักพายนี่ออกไป ไปขุดดินปักปั ก, ปกแกทนไม่ได้แกก็ทํางานยันทํางานเป็นเป็นเป็ น, ปนอาชีพสายเงี้ยหยุดไม่ได้หยุดป่วยก็เห็นไหมละคนหยุดงานไม่ได้หยุดป่วยแกเห็นไหนี่ย้อมพ่อย้มมยยยยอนแ่่ย ห, ยหยุดไม่ได้เลยหยุดป่วยเลยต้องทํำตลอดออืคิดเกินใจตันหาขนาดนี้เลยอ่ะหยุดไม่ได้เลยอ่ะงอกร่ามือเอ้ยถ้าเลยพูดไปทันทีต้องทํางานไปเอาไปถากงั้นแกก็มึนๆต้องกินยาเลย งั้นต้องไปถากไปตัดไปอะไรทำบางทีเปิดธรรมะทิ้งไว้เนี่ต้องทํางานไปด้วยอสารตะกร้าสารอะไ ร, ง, ไรไ ง, งั้นแกไปทั้งนั้นแกทนไม่ได้จะให้นัง่งฟังเฉยจะทนอยู่ไม่ได้เลยคือจะต้องมีธรรมะส่วนหนึ่งแล้วก็นั่งฟังไปลองคิ็ดดวง ใ, ใจแกจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะน้อมมาทําได้ทั้งทั้นี่ไงตั้หาไม่ยอมเลยอะ่ะบอกว่าจะฟังทำก็ไม่ได้ ถ้างั้นเราขออยู่ด้วยเอายอมถ้างั้นนะอยากจะฟังทำเล็กหน่อยเนี่ยบอกว่าให้ฟังแค่สิบเปอร์ซ็นะเก้าสิบเปอร์เซ็เราจะเยวคุณก็แค่ขนาดนั้นเร่นี้มันขนาดนี้แล้วว่ามีใครตั้งใจฟังว่าทำจริงๆก็กี่คนนี่ขนาดที่ฟังทำไปแล้วก็ไม่มีไม่มีวัตถุ ก, การเข้ามาแท้เลยอะเอาอย่างนางมาริกา ถ้ามีตายแล้วก็นั่งฟังทำเฉยึยเหมือนเศรษฐีที่เขากำลังปล้นบ้านขนทรัพย์ออกไปก็นั่งฟังน้ำเฉยคนใช้มาบอกก็เฉยเฉยเฉอย่างเงี้ยนะหรือว่ากลับมาเศรษฐีท่านนึงไปทําบุญไปเสร็จถวา ย, ารวายาาพระไปเสร็จแล้วเขาเผากุฏิเขาเผาบ้านหลังนั้นทัานไปเสร็จแล้วแกบางทีแล้วจะได้ทําบุญใหม่ขึ้นอย่างเนี้ยมันไม่มีแล้วใช่ไหมนี่มองเห็นไงที่จะได้ยกตัวยอย่างให้เห็นว่า ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เราก็จะต้องตั้งคีตั้งท่ายัางไงในการที่จะไขขวอในการที่จะคิดตรงนี้ประการต่อมาก็คือว่าคําว่าวานนะเป็นชื่อของปัญหานิอุไม่ตัญหาเนี่ยเขาเย็บกรรมไว้กับกรรมเย็บพบไว้กับพบแล้กรรมไว้กับผลของกรรมเย็บพบกับพบไว้ติดกันจนนิพพานเนี่ยเขาเรียกว่านิวนะันนะนี่เป็นวัคค์เหรอเห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 อันนี้ก็เหมือนกันก็คือกลายเป็นนิพพานไปนิพพานนั้นออกจากอะไรออกจากวานนะวานนะคือออกกิจตัญหาข้อ น, นั้นน่ะเพิ่งเป็นความบอกว่าสัตว์โลกเนี่ยสัตว์โลกนี่เป็นผู้ติดใจอยู่ในวัตถุกรรมอะไรแล้วอยู่ในวัตถุกรรมด้วยอํานาจของกิเลสกรรมทั้งหลายการที่เรานั้นจักประกาศพระธรรมจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยของเราใช่ไหม เหน็ดเหนื่อยกายด้วยไหมเป็นความลําบากกายด้วยเป็นการลําบากวาจาหรือกายด้วยแต่ในพระหาไทยของพระู้พระเจ้าไม่มีความเหน็ดเหนื่อยหรือความลําบากทั้งสองอย่างนะเพราะเจ้าม่เหน็ดเหนื่ยนยอยหรอกแต่ว่าความเหน็ดเหนื่อยกายเหน็ดเหนื่อ ย, ยวาจาในการที่จะต้องจาริกไปใช่ไหมดางที่ได้กล่าวว่าแค่พระบาทของพระพุทธเจ้านั้นก็ต้องประดับไปด้วยรัตนมงคลหนึร้อย จะต้องมาเหยียบย่ำตามสถานที่ต่างๆในโลกใบนี้เพื่อเดินไปโปรดเวนายาสัตว์เนี่ยมันเป็นความลําบากเพราะวรกายของท่านหรือในขณะที่พระ อ, องค์จะต้องนั่งอยู่นานๆแล้วก็ต้องขยับพระโอว์ในการประกาศพระธรรมให้กษัตริย์พูดติดอยู่ในอะไรเนี่ยมันเป็นความเหน็ดเหนื่อยวาจาของท่านใจของท่านไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเพราะในใจของท่านไม่มีราคะโทสะโมหะมาหน้าที่ถืวิจิกิจฉาอิริการโราว้วยพระอุทจะยะ แค่นั้นพอพระ อ, องค์พิจารณาอย่างนี้เบ็ดเสร็จพระองค์ก็เลยขวัญหวายน้อยทีนี้การปริวิตกเนี่ยประการต่อมาคือว่าตอนนั้นที่บอกว่าด้วยการปฏิบัติลำบากท่า น, นมรตสี่คือโสดาปฏิมรตสกาทาคาวิมรตอนาคายมารตอัตธรรมรตเป็นต้นเนี่ยเป็นการปฏิบัติบัดสะดวกแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นปฏิปะเป็นปฏิปทาที่นำมรรคนำผลมาให้พระผูม้มภพรเจ้านั้นผู้ยังมีราคาโทสะโมหะอยู่ในความบําเพ็ญบา ร, รมีตอนนั้นใช่ไหมถามบอกว่าพระทรงตัดศรีรษะที่ประดับตกแต่งของตอนเองเนี่ยนะนำเลือดออกจากลำคอเนี่ยเพื่อสร้างบา ร, รมีควักพระเนตรที่หยอด ที่หยอดยารักษาแล้วอย่างดีแล้วเป็นต้นประธานของละบุตรเอยภรรยาเป็นต้นในวงตระกูลหรือภรรยาที่น่าละสลาสิ่งอื่นๆมีการตัดอวัยวะนะในอัตภาพนับไม่ถ้วนเลยนะหรือในขณะที่ถูกคอรมานจากการที่จะต้องบำเพ็ญขันติบารมนะีตอนเป็นคันติวาธีดาบุดเป็นต้นเลยนะี้ ต้อมาพิจารณาดูบอกว่าพระองค์การทานั้นมีกรุณาในการที่จะโปรดจัดขนสัตว์หรือสัตว์แต่พอได้ตัดสรู้เบ็ดเสร็จเนี่ยต้องมาพิจารณาดูทีว่าพอใช้พุทธญาณตรวจ ด, ดูกระแสความคิดของสัตว์จัดโลกไม่มาตามพระองค์เลยถ้าในชีวิตของเราเนี่ยนะเหน็ดเหนื่ยอยเอาแค่ชีวิตของเราเนี่ย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 ไม่พอชรางก็เปรีขาเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกรุณาก็จะไม่ได้ช่องในการที่จะเข้าถึงสู่กระแสจนี่ไงฉะนั้นกระแสคือพุทธิยานั้นตัดสู้ง่ายอยู่แล้วแต่สัตว์นั้นนะ่ะนะสัตว์นั้นไม่ควรที่จะตัดสู้ไม่ควรที่จะแสดงธรรมที่เราบรรลุได้ยากคือการแสดงธรรมที่เราเรียนมาแล้วประโยชน์อะไรด้วยการแสดงธรรมนะ ก็คือสัตว์ที่ถูกราคาโทสะโมหะครอบงาแล้วอลาคาโทสะโมหะครอบงามแล้วเนี่ยย่อมจะเป็นไปตามราคาโทสะโมหะเ mm hmm. พราะธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั่นเป็นธรรมที่ทวนกระแสะปฏิโสตาคาเมียปฏิโสตาคามิงโสตาาโตนั้นแปลว่ากระแสะแต่พระนิพพานนั่นเป็นธรรมที่เสรอทวนกระแสะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นทวนกระแสะสภาวะมีความเครียดเปต้นใช่ไหมก็หมายความบอกว่า ทุกสมุทัยเนี่ยขันห้าเนี่ยโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันทวนกระแสก็หมายความว่ากระแสของเขากระแสของขันธ์ชาดายตนะเนี่ยของเขาก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแต่สัตว์โลกนั้นเป็นผู้เห็นทวนกระแสของความจริงสัตว์โลกไปเห็นว่ามันเที่ยงมันสุข มันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นของดีเป็นของงามเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินใช่ไหมฉะนั้นความเห็นของสัตว์เนี่ยมันทวนกระแสตามความเป็นจริงแปลว่าใจของสัตว์นั้นมันน้อมไปในการเห็นว่าเที่ยงเห็นว่างามเห็นว่าสุขเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมสัตว์โลกเห็นอย่างนี้แต่พระธรรมของพระเจ้ามาบอกว่าขันธ์ธาตุยาตนาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่เที่ยงมันทวนกระแสเขานะ มันทวนความคิดก็นะเห็นแบบเนี้ใช่ไหมไม่เห็นว่าเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์นี่มันเป็นอนัตตามันทวนไหมล่ะทวนความคิดของสัตว์หมดทุกประเภทเลยเอาสิเขาเห็นว่างามอยู่ดีๆพุทเจ้าบอกไม่งามเห็นว่าเที่ยงอยู่ดีๆบอกไม่เที่ยงเห็นว่าศกอยู่ดีๆบอกมันเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ดีพรทเจ้าบอกไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนัอาสีทวนความคิดของสัตว์ทันทีเลย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 กองความมืดเครือวิชานี่ทับถมอย่างยาวนานแล้วฉะนั้นสัตว์ที่มืดบอดด้วยกองเคือวิชาทับถมเนี่ยอย่างมากอย่างหนานแน่นเนี่ยทับถมขนาดไหนดีเอางี้ถ้าเราจะห า, มาเมล็ดผักกาดสักเม็ดหนึ่งที่ถูกภูเขาซิเนลุทับไว้อยากไหมล่ะ แล้วจะขุดไปเอาเม็ดงามเม็ดนั้นเน่ยยากไปแล้วเมล็ดประกาศในเม็ดนั้นนยากนะ น, นั่นใหญ่สัตว์โลกก็ถูกเอาวิชานี่ยแหะทับอย่างนั้นเลยขุดจนทอไม่อยากออกีิทุกเลยเนี่ยเนะี่ยทอไปแล้วนั่น้าไม่ขนขวาไม่ได้โดนจริงจมันจะออกกันยังไงเนี่ยแล้วมันจะออกอยังไงมันจริงจริใช้คําว่ามันไม่มาทำเราแล้วอย่างพด เพื่อเจ้าผลขวายน้อยทันทีเลยก็ใช่ว่าตะโมกขันเทนะอาวุตาเนี่กองอวิชชาทัพถมฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็องค์เลยใช้คำว่าอโปสุกตายะเพื่อความผลขวายน้อยเกิดขึ้นทันทีเพื่อความผลขวายน้อยก็เกิดขึ้นทันทีเลยความเป็นผู้มีประสงค์ใยปราศจากเนี่ยก็คผล ข, ขวายถามว่าก็เหตุไรพระบรมศาสดานี่นะี่ย ตั้งความปรารถนาไม่ใช่หรือเพ่อจะทําให้สัตว์นั้นหลุดพ้นทำให้สัตว์นั้นข้ามทําให้สัตว์อื่นนั้นตัสรู้ตามเราจะมีประโยชน์อะไรด้วยเพศที่ผู้อื่นไม่รู้จักใช่ไหมประโยชน์อะไรด้วยธรรมที่เรายังไม่ได้รู้แจ้งเราบรรลุสัพเพยุตยานแล้วจากยมมนุษย์โลกพร้อมนั่งเทวโลกนั้นให้ข้ามปังเนี่ยถามพระองค์ตั้งอัตยาสายว่าอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อพระองค์ตั้งอัตยาสายไว้อย่างนี้แล้วทำไมจิตของพระ อ, องค์จึงน้องไปในการขวนขวายน้อย ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่ผมเป็นบารมีศีกมาใช่ไหมทั้งทานบารมีศีลบารมีเนคขมารปัญญาวิริยะคันติสาจาัณฐานเมตตาและกเบิขาถามว่าบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานใะนการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏเนี่ยขณะการที่พระองค์จะบำเพ็ญบารมีมาขนาดนั้นเนี่ยก็จิตของพระองค์นั้น น, น, น้อมไปในไหนหรู้ไหมน้อมไปบรรลุสัพพะ บรมน้องน้องไปบอกว่าจิตของพระผู้มีพระเจ้าน้องไปอย่างนี้ว่าก็ด้วยอนุภาพแห่งปัจจเจกขณายานปัจจเจกขณะยานคือยานที่ไปพิจารณาการบรรลุของตนเนจ้จริงอยู่เมื่อพระองค์บรรลุสัพพยุตยานนะแล้วพระองค์นน ก, งก็พิจารณาความที่สัตว์นั้นน่ะถูกลบชัดคือกิเลสกิเลสมันเป็นลบชัดเนี่ยตัณหาก็ลบชัดทิฏฐิก็เป็นลบชัดเอาเคำว่าลบลบชัดนี่เข้าใจไหม คืออะไรอ่ะก็เห็นหนามไผ่ไหยไม่ใช่กเป็นหนามไผ่ไหมละ่ะหนามไผ่ที่มันเกาะขแขนงไผ่เกาะกันยังหนานั่นเลยถามว่าเข้าไปยากไหมเข้าไปตัดกอไผ่ยากไหมโอ้โหมันลกชาดดงกรณีที่เราจะป่าตัวกิเลสเข้าไปเนี่ยสามกิเลสออกจากจากใจที่มันยุ่งเหยิงนุ่งนังไปหมดแล้วเนี่ยเราสามยากไหมละ่ะ มันต้องใช้มีดคมๆใช่ไหมใช้ตะขอที่คมมากในการที่จะตัดคือรกชัดนั้นนะ่นะใหมันจะต้องตัดขอขนแหนงไผ่หรือรกชัดอ น, นั้นออกที่มันก่อเกี่ยวทั้งหลายเหล่าเนี้ยที่มันผูกพันนี่ที่มันพัวพันทั้งหลายนี่นะไอรกชัดคือกีเลศรกชัดคือขนงไผ่ทั้งหลายเนี่ ย, ย, ยมันจะต้องใช้มีดที่คมมากตะขอที่คมมากด้ามดี ในการที่ไปเกาะหรือไปกระชากให้มันขาดให้มันหลุดใช่ไหมอริยมรรคเท่านั้นแหละมันถึงจะกระชากไอ้โลกชาตินี่หลุดออกจากกระแสจิตของสัตว์โลกได้ถ้าไม่ได้ระดับอริยมรรคนี้มันชักไอ้กระชาตไอ้แขนงลกชาตินี่ไม่ได้ลกชาติคือทิฏฐิคือโมหะคือมานาคือตัณหาเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมนั่นต้องใช้ระดับอย่างนั้นจริงๆในการที่จะไปเกาะไปกระชากโลกชาติที่กิเลส ความที่ทำเนี่ยเป็นกองลึกซึ้งถามบอกว่าถ้ามันมีขแขนไัยล้อมอย่างหนานแน่นเลยนี่เราอยากจะได้ไม้ไัยลำสวยๆย้างในอ่ะมันต้องมัจะทํำยังไงปราถนาอยากจะได้ไม้ไผ่ทํำยังไงเดินเข้าไปมือเปล่าได้ไหมไม่ได้ปราถนาจะพ้นทุกข์แต่ไม่บําเพ็ญศีกขะไม่บาเพ็ญบารมีศีกไม่พาอคูณศีกขาสามคือศีลสมาธิปัญญา มันจะเข้าไปจัดการกับเอาไม่ไผ่มาได้ไหมไม่ได้มันต้องเพียรพยายามแล้วเร่งทําแล้วทาให้ถูกด้วยไม่ใช่ว่าไปด้วยมือเปล่าก็ไปนั่งร้องไห้อยตรงนั้นแหละไม่ได้บรรลุหรอกมันนี่มันไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมไม่มีอุปกรณ์ตอนนี้มีหรือยังอ่ะอนุสีนทีอนอสมาธิทีอนุปัญญาที่แก่ไหนอย่างเงนะหม่อมเพาะยังไง รับดีแล้วหรือยังปัญญาบนหินคือสมาธิหินเราตั้งอยู่ดีแล้วยังที่บนศีนนลศีลเราอบรมมาดีหรือยังจากสุดตาคือการฟังธรรมฟังธรรมแล้วไปฟังของไทยของพระเจ้าจริงหรือไม่อะไรเงี้ยเราก็ไปคลายกวนอย่างเงี้ยแล้วจะได้ชัดพอจะมองเห็นนะเนี่ยถ้ามองเห็นก็เห็นความเชื่อมโยงสืบสอบสืบสายนี้แล้วจะได้เข้าใจว่าการบรรลุเนี่ยเป็นเรื่องอย่างนี้ เป็นเรื่องต้องลิ้งเล่แต่ไม่ใช่รีบนนนในขณนที่เร่งไม่ได้ข้อมูลถ้างั้นก็รีบก็หกหมดเหมือนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยรีบไปแล้วเนี่ยแต่ไม่มีข้อมูลเลยไม่มีพระธรรมคําสอนเรื่องต่างๆรีบไปเแล้ววิ่งไปจะไปจัดการเนี่ยอีโรคชัดคือแหนงไปทั้งหลายเนี่ยแต่วิ่งไปไม่มีมีดกลับมาใหม่นี่คือฟ้ามมีดไปเขาบอกนี่ไงมีดที่เราจัดการกับโรคชัดเขาไม่มีกีตาร์อะไรเงี้ยนะ ตอนหนีเมื่อเคลวิ่งเข้าไปก็ฟันตายอย่างนั้นเนี่ยไม่ทันถึงกอไผ่ก็เป็นนอนกองตายอย่างนั้นในสังสารวัตนี่แหละมองเห็นเลยเนี่ยมันมันเข้าไม่ได้มันเจาะไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องอุปกรณ์ดีต้องมีข้อมูลต้องมีความเข้าใจไว้าจะเข้ายัางไงเราจะเลาะทั้งหมดหรือจะเข้าไปเข้าช่องเข้าไปเป็นรอดไปเอาลํานะถ้าจะเอาทั้งหมดก็ ทานบรารมีทานอุปปารามีทานปรมัตถบรารมีให้หมดเลยสามสิบทัดเลยยี่สิบรสงไขายสี่สิบแปดสิบนี่เราจะต้องการให้เตียนโล่งหมดเลยทีนี้ที่มองนั่งกระดิกเท้าดูยาวลบไหนก็ได้ <c oughs> เดินเลยเดินหลายรอบอ่ะเอาไหมละ่ะหรือจะเอาเพื่อช่องไม่ใหญ่เท่าไรใช่ไหมเฉพาะตัวหรือไม่ตัวเข้าไม่ได้หรอก ทำเป็นช่องเล็กๆแต่สอดไม้เข้าไปกระชากออกมาลําเดียวไปเลยหรือยาอย่างงั้นก็ดูบารมีดีที่จะทําท <c oughs> มองออกว่าเนี่ยจะเอาอยัางไรรีบก็รีบคิดเสิฮะกลับไปไปหาไปหา ม, มีดเข้ามีดไม่มีอะไรคือด้ามใช่ไหมเออด้ามไม่มีเราจะรับอะไรอหินนั่นตั้งอยู่บนแผ่นดินคือศีลอย่างไง อสินก็ยังไม่เกิดเลยเอาที่สุดท้ายเกิดเสีย que, ตอนนี้ในพระเจ้าให้ชัดก็ไปนั่งปรึกษากันกลุ่มยอะเป็นรายเดียชมรมผู้ปรารถนาออกจากทุกข์เอาที่ไหนไปตั้งนะ <c oughs> ใช่ไม้มไปตั้งเลยกลับไปก็เรียกสมาชิทอยน ะ, ะายามพเศษไปทอยเรียกก็ยิงได้ข้อมูลแล้วเอาใครจะไปกับเราบ้าง ที่หนึ่งสองสาสี่น่ะอธิบายนะเสร็จเขาก็จะพาพูอดออกมาคุณไปคนเดียวท้อไหมถ้าเจอย่างนั้นอย่าไปท้อใช่ไหมย่าไปทถ้าชวนใครไม่ได้ก็ชวนใจตัวเองถ้าชวนใครได้ก็ชวนใช่ไหมถ้าเขาไม่ไปกับเราด้วยก็ไม่เป็นไร เรา่าไปกับเขาก็แล้วกันบอกไปเขาจนยุ่งเนี่ยถ้าเราไปเขาจะชวนเราไปแย่ไปเกิดไแก่ไปเจ็บไปต า, ไปายไปวิวาดพ่อป้าก็าจะยังมองไม่ออาด้วยหรอใช่ไหมชวนกันถามลูกสิแต่ะละคนเอาไหมไม่เอางั้นคนละทางนะรู้จักกันชาตินี้พอช่วยหลานนี้ไปไหมบางงั้นเจอใป็นชาตินี้พอเอาชวนพี่นะไปไหมไม่ไปหลังนั้นหลันั้นเราคนละทางเลยคนละทางเลยอมันมีทางเจอก็จริงหรอก ไปคนละทิดไปเบอร์คละโลกโดยด้วยแสนกูฏจักรวาลนี่โลกหมดเลยนี่ศาสตร์หมดเลยอะแล้วพวกเรามาเกิดกันตรงนี้ได้บุญในเนี้ยจะหมดบุญกันอยู่แล้วยังคิ ด, ย, คดยังคิดไม่ได้ออกเลยนะ น, นี่บุญแสนบุญเลยเนี่ยดีแสนดีขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยแสดงว่าอธัธยาศัยเคยตั้งไว้เคยตั้งไว้พอสมควรเลยแต่เราลืมลืมหลังลืมอดีตแล้น ลืมตื่นซะเดี๋ยนี้รีบตื่นมาซะเขาจะงยังรีบ ต, ต, ตื่นมาซะอย่าหลับกิเลสเป็นเชื่องความหลับตื่นจากกิเลสซะแล้วก็รีบคลายคาุณเดี๋ยวเขาไปนะอ่านเยวเราแผ่เมตตากัน